นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีน้อมสติเข้ามาภายในให้มรู้กายรู้จิตนี้อยู่ในปัจจุบันถือเอาปัจจุบันเป็นการบำเพ็ญ จิตตภาวนาการภาวนาถ้าไม่กำหนดลงในปัจจุบันแล้วจิตใจสงบไม่ได้ให้เข้าใจถใจมันอยากคิดส่งไปอดีตอนาคตกอกะสะกดไว้แทงอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นก็อดทนเอา อย่าไปหวันไหวกับมันเรื่องของขันห้าเรื่องของกิเลสมันไม่มีหรอกความสงบไม่มีมีแต่วุ่นวายมีแต่พุ่งสัานไปอย่างนั้นแหละมีแต่สมาธิเท่านั้นมันสงบลงได้ อันต้องมุ่งใจความสงบเป็นที่ตั้งทำยังไงจิตจะสงบลงไปก็ทำลงไปเพ่งลงในปัจจุบันอย่างที่ว่านี่แหนละมันจะสงบลงได้เนะ่ยหยุดยังความคิดความนึกแม้มันพุ่งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ให้พากันทบทวนดูให้ดีให้ตนปล่อยตนของตนคือปล่อยจิตนี่นะให้คิดไปตามกระแสของตัณหาความอยากความปรารถนามานับชาติไม่ทวนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์เกิดมาในชาตินี้เราก็มาตกเป็นธาตของตัณหา คือเป็นท่าตุแห่งความอยากอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสดุดเมื่ออยากแล้วไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เมื่ออยากแล้วไปสแสวงหาการสแสวงหามันก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วมารักษาดูแลอยู่ก็เป็นทุกข์หัวมันจะหาย ผู้มีเมียมาถ้าเมียมีรูปสวยรูปงามบ้างเช่นนี้แล้วก็วเราแยงกลัวเมียจะไปเล่นชู้จากผัวไอ้ผัวก็เป็นทุกข์เป็นร้อนบางทีเห็นเมียไปแสดงกิริยาเจ้าชู้อะไรนิดหน่อยก็ถึงกับฆ่าเมียตาย เพราะความหึงหวงนั่นแหละไอ้ฝ่ายเมียก็เหมือนกันถ้าไปได้ผัวลูกหล่อเจ้าชู้ซะบ้างหวงหลายผัวไปติดพันกับหญิงอื่นหรือไปสังคมกับหญิงอื่นไม่ได้จะต้องทะเลาะวิวาดกันเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าของรักของชอบใจต่างๆ เมื่อได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขสบายเมื่อไรแกวันเงินทองก็เหมือนกันเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมารักษากลัวโจรขโมยมันจะมารักมาจี้ปล้นเอ า, เอาฝากไว้ธนาคารมันก็ปลอดภัยดีว่า ง, งั้นยิงโยเวลามันอยากได้อะไรมามันก็ไปถอนเอามา ตายก็หมดไปหมดไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้อถ้าสมบัติเ่า น, นั้นยังเหลือยังมีโอเวลาจะพัดพลาดจากมันไปหรือจะตายจากมันเนี่ยก็เสียดายอะไรก็เป็นทุกข์ใจอบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองเนี่ยยอมเป็นทุกข์กับสมบัติ ทั้งหลายในโลกนี้โดยสามการอย่างว่ามานี่แหละให้เข้าใจพอได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จึงเบื่อนายท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าจึงได้ออกบวชเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั้นล้วนเต็มไปด้วยภยัยอันตราย อยู่รอบด้านเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อได้คิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ถอนตัวออกจากการครองเรือนมาบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งใจฝึก้นจิตใจของตนให้ดีโดยความไม่ประมาทเพราะเพียงแต่เบื่อในในการครองเรือนเท่านั้น แล้วนี้มาบวชไม่ใช่กิเลสมันหมดไปเพียงแต่มันสงบลงไปชั่วคลาลเท่านั้นเองถ้าเกิดความประมาทเผลอเร่นเเข้าไปเมื่อใดกิเลสของเก่านั่นแหละมันก็ลุกขึ้นครอบงําจิตใจอกีกอา้าบวชมาแล้วก็อยู่ไม่ได้เอกก็ต้องสึกออกไปอสึกออกไปแล้วไปทําการทํางานหาเลี้ยงชีพ บนทุกข์แบบนี้นะโอ้ยถ้าบวชอยู่แล้วก็ยังสบายตื่นออกมาแล้วก็มาทำงานทำกลางก็เป็นทุกข์เป็นยากนี้แหละมีแต่เรื่องทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ถ้าเราจะเพ่งพิจรนารณาดูโดยเหตุผลจริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสุขยั่งยืนอยู่ได้ทุกขก็สุขส์ทั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่ใช่มันสุกยั่งยืนเมื่อไรอ่ะอะอย่างนี้นี่มันความจริงมันมีอย่างนี้น่ะมันควรจะคิดควรพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้มีความเร่วมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เช่นนี้ละก็สมควรที่สมควรจะพึ่ง ภาคเพียนพยายามฝึกตนทรมานตนเข้าไปก่ในเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในสงสารแล้วก็จึงได้สนใจในการปฏิบัติธรรมผู้ผู้เป็นครยหัสก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้แต่นักบวช ทั้งที่เห็นภัยในสงสารอยู่นั่นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสระมันได้โดยเด็ดขาดก็ต้องอาศัยทุกันแหละเป็นอารมณ์ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในเรือนนั่นเองนี่แหละทุกหนอทุกมันเป็นอย่างนี้สอนตนเข้าไปความทุกข์น้ำมาเกิดจากตันหา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจจะทมทั้งสีนั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนจริงๆถาระความอยากได้เท่าใดทุกมันก็ทุกทางใจก็บาวบางไปได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นครือหัดคลองเรือนไม่แช่ว่าจะละไม่ได้ตันหานะเราก็เลือกละในสิ่งที่พอจะละได้ สิงใดมันยังละไม่ได้ก็อาศัยมันไปก่อนอเห็นตัญหาที่มันพาให้ไปทําบาปนี่มันควรจะละทิ้งมันเสียเลยไม่ควรจะหล่อเลี้ยงมันไว้เพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และนาประการทุกข์ในชาตินี้แล้วยังไม่พอละโลกนี้ไปแล้วก็ไปทุกข์ในโลกอื่นต่อไปอีก ด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมที่ตนทาเพราะอาศัยตัณหาเป็นมูลเหตุนีนเนี่ยมันทำบาปกรรมเส่ยตนและบาปกรรมมันก่อนน้ำไปสู่ทุกข์เป็นธรมรมดาเนอยเหมือนอย่างที่เรื่องอดีต เ, เรื่องอนาคตบุคคลก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ว่าก็ขาดคาเนเอาว่าเป็นไปได้ เพราะเราถือเอาปัจจุบันนี่เป็นเครื่องตัดทิน้นปัจจุบันนี่บุคคลที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกกันนี่น่ะมอนจะทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่เหรอนี่นแหละการครองเรือนมีผัวมีเมียมีลกูกก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเป็นเหตุให้ทำการงานแสวงหาโพค่ทรัพย์สมบัติ แสนทุกแสนยากแสนลำบากนี่อันนี้ไม่ไม่เพราะตัณหาเหรือหรือเพราะอะไรมองดูให้มันเห็นแต่ถ้าตนมันตกอยู่ในหลุมของตัณหามันคงไม่สามารถจะถอนตัวออกได้ก็พยายามถอนตัณหาไอ้ส่วนยำยาบที่พาไปทำบาปทำกรรมมันชั่วร้าย ห้าประการมีท่าตัดรักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาาเดิมสุราเมลัยกัญชายาฟินเฮโรอีนตลอดถึงบุรีหมู่นี้นะก็พยายามละความชั่วเหล่านี้ออกจากกายวาจาใจของตนให้ได้ เวลากรนหาอย่างหยาบนี้ได้แล้วก็ชือว่าละกําละเวรความชั่วร้ายทั้งๆได้อผู้นั้นก็มีความสุขกายสบายใจเวลายังมีชีวิตยอยู่นี่บุคคลผู้มีศีลแล้วย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทําบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเวรและภัยทั้งหลายก็ไม่เกิดนี้ เดีย ว, ว่าไม่ได้สร้างศัตรูให้มีแก่ตนของตนเช่นนี้แล้วนอนตาก็หลับสบายดีไม่ไม่นึกกลัวใครจะมาแก้แค้นตอบแทนถ้าที่ตนไปทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีนี่อา น, นิสงส์ศีลที่เราเห็นได้ในปัจจุบันไอ้ที่มนุษย์ที่มันเบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่ในโลกนี้นะี่ะ ล้วนแต่เป็นผู้ไม่มีศีลทั้งนั้นเลยลองสังเกตดูไม่สารวมในศีลเบื่องต้นนี้ก็ยังไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันทางด้วยกายหรือด้วยอาวุธต่างๆก่อนแต่มันทำร้ายกันด้วยกิริยาวาจาอันหยาโรลนต่างๆ นี่เมื่อโกรธกันขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบคายด่าแฉ่งกันเข้าไปผู้ที่ถูกด่าก็โกรธตรองด่าตอบกันไปมีผู้ห้ามเขาเลิกลากันไปแต่เราก็ผูกใจเจ็บไว้อย่างนั้นแน่เห็นเมื่อได้โอกาสากระทบกระทั่งกันเข้าไปกันทเลาะวิวากันอีกอย่างนี้นะ เมื่อมันนักเข้านะเข้าก็ถึงกับลงไม้ลงมือสะสมอาวุธประหัตประหานกันขึ้นไปให้ล้มให้ตายไปโมนี่เรื่องของที่เป็นผู้ไม่สำรวมในศีลเป็นผู้ไม่ละตัณาความอยากอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันในปัจจุบันนี้นะ่ะมันเนอย่างงั้น เมื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างบาปสร้างเวรไปไว้การเบียดเบียนการผูกแก้เก็บต่อกันมันเป็นกรรมเป็นเวรมันหาได้สงบลงไหมในเมื่อยังไม่ได้แสดงความผิดต่อกันและกันไม่ขอโทษกันไม่ได้ให้อภัยต่อกันและกันแล้วอันเวรนั้นมันก็ติดฝอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันได้โอกาสเมื่อใด มันก็ให้ผลเมื่อนั้นถ้ามันไม่ให้ผลในไม่ได้โอกาสในปัจจุบันนี้มันก็จะไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปอา่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องกรรมเรื่องเวรนะเรื่องการเรื่องกรรมเรื่องเวรมันก็มาจากความเป็นผู้ไม่สมรวมในศีลเพราะฉะนั้นอย่าไปละเลย ผู้ปฏิบัติธรรมเนะ่ยทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์อย่าไปลืมตัวให้ถือว่าสีนนั่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าประจำชีวิตของตนเนึให้นึ ก, กว่าถ้าตนละเลยสินเสียเช่นนี้แล้วก็ตนก็จะต้องเป็นคนชั่วแน่นอนเตือนตนบ่อยๆ ้ากตนละสินเสียแล้วความโลภโกโรธหลงอันหยับคายร้ยกาศทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจนี้ต้องให้คิดให้ดำริเสมอไปหาตนสํารวมในศีลอยู่ตราบใดแล้วที่เหล่านี้จะเกิดขึ้นในไม่ได้เลยเช่นอย่างศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตอย่างนี้นะ ต่นห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้มันก็เริ่มตั้งแต่ห้ามไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันนี่แหละไปอะนี่เพราะมันเป็นเส้นสายของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทะเลาะวิวาทกันกระทบกระทั่งกันไม่เคารพจำเกรงต่อกันแลยกันอย่างนี้นะต่างคนต่างก็แข็งกระด้างต่อกันเลยกันอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทะเลาะวิวาทกัน เมื่อนักเข้ามันก็นลงไม้ลงมือประหัตประหารถึงการละการไปนี่ลองพิจารณาดูสิความเป็นผู้ไม่สำรวมในศีลในรอบขอบบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าถ้าไม่ลงมือฆ่าผู้อื่นและสัตว์อื่นนี่มันไม่เป็นบาปดอกศีลข้อนี้เพียงจะท้อวิวาตกันด่ากันแ่งกันหรือว่า แสดงกิริยากายต่อกันอันหยาบคายอันไม่ดีไม่งามอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเข้าใจมีความรู้สึกต่อศีลนี่หยาบหยาบมากอันเนี้ยไม่ได้เข้าใจหรือมีความรู้สึกต่อศีลนี้ละเอียดเข้าไปกว่านั้นถ้าหาว่าเข้าใจละเอียดกว่านั้น ก็ยมเข้าใจตามที่ที่แจงมาเมื่อากที่นี่แหละต้องให้เข้าใจเหตุด้านสินี่พระพุทธเจ้ายังแสดงไว้ในบารมีสิบประการนั่นสีละบารมีสีละอุปปารมีสีละปรมัทถะบารมี ศีเนี่ยมันมีอยู่สามชั้นเนี่ยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำนี่ก็หมายความว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหล ะ, ะ, ะการทะเลาะวิวาทกันด่าแช้งกันหรือว่าตบตีกันไม่ถึงร่มถึงใจไม่ถือว่าผิดศีลอะไรทำลองนี้นะเนี่ยแล้วก็ แต่ว่าเป็นศีละบารมีศีละอุปปารมีแบบนี้เอาการเบียดเบียนกันกระทบกระทั่งกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ถึงล้มถึงตายก็ได้ชื่อว่าพิดสินข้อนีอม้มันก็ละเอียดเข้าไปอย่างนั้นแหละผู้ที่รู้สึกตัวได้ว่า การกระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยความโกรธความไม่พอใจต่างด้วยกิริยากายก็ดีกิริยาวาจาก็ดีได้ชื่อว่าผิดศีลผู้ได้รู้ได้อย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังตนระวังมือระวังเท่าระวังกิริยากายวาจาไม่ให้มันกระทบกระทั่งคนอื่นแม้มันจะไม่พอใจต่อบุคคลใดก็ขมใจละความไม่พอใจนั้น ไปเรื่อยๆจนขวานจะดับไปกากคิดใจไม่พึงสะสมความไม่พอใจให้มากขึ้นในใจมันก็คลายเป็นความโกรธเมื่อมันมากขึ้นแล้วน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นอธินาทานกามเมสมิชาจารมุสาวาทต่องเสพของมืนเมาต่างๆโมนี่มันก็ล้วนตั้งแต่ เป็นบอ่อเกิดแห่งความโกรธความพยาบาทเป็นบอ่อเกิดแห่งการฆ่ากันเบียดเบียนกันเลยกันเป็นกรรมเป็นเวรทั้งนั้นเลยต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนผู้รักษาศีล น, นะอย่าไปนิ่งนอนใจต้องให้รู้รายละเอียดเข้าไปได้เรื่อยไปเช่นนั้นมันจึงจะสามารถสํารวมศีลห้าข้อนี้ ให้ได้โดยคบทวนบริบูรณ์เรียกว่าเป็นสีละปรมัภบารมีขึ้นไปอสีละปรมัภบารมีนี่เป็นการรักษาสินอย่างเข้มงวดกวดขันจริงๆถึงกับว่าเมื่อตนได้สมทานมั่นในสินอย่างนี้แล้ว ใครมาใช้อำนาจวาใหญ่บังคับให้ทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งางนี้นะผู้นั้นจะไม่ทำลายเป็นเด็ดขาดเลยถ้าไม่ทำลายจะฆ่าเอาฆ่าก็ฆ่าไปยอมเีชีวิตเพื่อศีลโดยตรงเหมือนอย่างโจรขโมยแต่อดีตทนหลังเสร็จขาิศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะรักของเขาแล้ว อาการวิ่งหนีเข้าป่าไปเจอพระขอพึ่งพระพระท่านก็ให้สมาทานศีลเมื่อสมทานศีลแล้วท่านก็แนะนําว่าอย่าไปเบียดเบียนตอบโต้เจ้าของทรัพย์เสด็จเขาตามมาเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องสํารวมในศีลให้มัน่นแล้วเราจะได้ไปสู่ความสุขเมื่อละโลกนี้ไปแล้วโยนเหล่านั้นเชื่อพระเถระก็ปฏิบัติตาม เจ้เขาของสิดตามมาเขาทุบเขาตีจะล้มจดตายก็ไม่สู้เลยใจฝักใสนึกถึงแต่สินนึกถึงแต่คุณพระรัตนกัรเป็นอารมณ์พอคนเหล่านั้นตายลงแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงในข้างนั้นฝังว่ามีจำนวนถึงเก้าร้อยคนเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอนิสงส์ินไว้ว่าสีเลนะสุขติยันติผู้มีสินจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ทงนี้ก็ได้เก่โจรเก้าร้อยคนนี่แหละเป็นอุทาหรเป็นตัวอย่างถ้าหากว่าละชีวิตเพื่อสินจริงๆเช่นนี้แล้วแม้จะตายจะอายุสั้นในโลกนี้ มันก็ไม่เป็นไรอะเพราะไม่ตายครั้งนี้ต่อไปมันก็จะตายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าบุคคลตายไปด้วยความเป็นผู้ไม่มีศีลอย่างนี้เนะี่ยก็จะไม่มีทางจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปไม่ได้เลยอย่างนี้นี่แหละท่านเรียกว่าสีละประมัติบารมี แต่ว่ารักษาศีลอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นบริหารการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ไม่เฉพาะแต่ศีลอย่างเดียวเลยแม้สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีม้วก็ถูงขึ้นไปโดนลาดับอย่างนี้แหละแต่ผู้ใดมีความภาพเพียนไม่ท้อไม่ถอยแล้วเช่นนี้นะ ก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าบำเพ็ญศีลนี่ให้ไปได้ถึงปรามัธิธาตุศีลละเอียนี่มันก็แน่นอนแหละการบำเพ็ญสมาธิมันก็สูงขึ้นไปได้อืมันเป็นปอย่างนั้นเพราะว่า กิเลสอันหยาบหยาบมันระ ง, งับดับไปด้วยอำนาจแทงปรามมัทธีนอย่างนี้นะมันยังเหลือเตะกิเลสอย่างกลางนี่เรามาพยายามบำเพ็ญทาใจให้สบงบระงับลงไปเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะระ ง, งับกิเลสอย่างกลางนี้ลงได้ าเราเพียนแพ่งจิตใจอยู่ในปัจจุบันนี่นะ่ะให้ใจมันสงบหนักแน่นลงไปอย่างนี้แล้วก็มิวัฏฏนะทมทั้งห้าประการนั้นก็ย่อมสงบระงับลงดังแสดงมา